วันนี้ผมคิดว่าจะควรควรจะพูดเรื่องนรกสวรรค์กันเียที <c oughs> ใครๆก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากปากคอก <c oughs> คำนี้มีความหมายพิเศษ คอบวัวคอบควายมันก็มีหญ้าอยู่ที่ตรงปากครอบแต่ก็ไม่ค่อยจะเป็นที่สนใจแกวัว ห, หรือควายนักก็จิตใจมันไปอยู่ที่อื่นก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องหญ้าปากครอบหรือไม่ค่อยได้รับประโยชน์ จากสิ่งที่เรียกว่าย่ยาปากครอบ <c oughs> จริงๆมันก็มีย่าย่าปากครอบอย่างอื่นอีกบางอย่างแต่ในที่นี้ <c oughs> เห็นว่าเรื่องนรกสวรรค์ น, นี่เป็นเรื่องจำเป็นก่อนที่เราจะทำความเข้าใจกัน <c oughs> บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องค้นสมัยม <c oughs> ันก็เลยไม่สนใจม <c oughs> ันก็เลยไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้บางคนก็ตรงกันข้ามเชื่ออย่างงมงายมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องในรลกสวรรค์ <c oughs> เลยได้รับประโยชน์อย่างที่เรียกว่างมงาย ใช่อะไรไม่ได้พูดกันอย่างนั้นดีกว่านี่ขอให้ฟังกันศึกษากหรวิพากษ์วิจารใสตรวรดูในลักษณะที่มันจะเป็นประโยชน์ได้สวรรคนและนรก เป็นเรื่องบรมโบราณก่อนพุทธกาลเมื่อก่อนพุทธกาลเขาก็มีเรื่องพูดพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่แล้ว <c oughs> เมื่อพระพุทธเจ้า เกิดขึ้นเขาก็พูดเรื่องนรกสวรรค์กันอยู่แล้ว <c oughs> ก็นาก่าเห็นใจท่านนะที่ท่านจะต้องพูดอะไรที่มันจะผิดจากที่เขาเชื่อกันอยู่ก่อนแล้ว <c oughs> แต่ท่านก็มีวิธีพูดของท่านที่มันจะให้สำเร็จประโยชน์ <c oughs> เรามีหัวข้อที่จะพูดกันว่านารกฮาสวรรนั่นน่ะมันคืออะไร <c oughs> นี่ปัญหาหนึ่งแล้วมันมีจริงหรือไม่นี่ปัญหาหนึ่งแล้วมันอยู่ที่ไหนอีกักอีกปัญหาหนึ่งรวมเป็นสามปัญหาแล้วก็ดูมันจะพอแล้ว <c oughs> แม้ว่าเราจะมีปัญหาอย่างนี้เราก็หาคำตอบร่วมกันไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ามันมีความคิดหรือความเชื่อนะหลายพวกนักหลายระดับนักพวกหนึ่งระดับหนึ่งก็พูดไปอย่างมีอย่างไรอยู่ที่ไหน ที่พวกนั้ก็พูดไปอย่างว่าเราควรจะเอามาพิจารณาดูทุกพวกอื <c oughs> อย่างแรกนะพูดอย่างชาวบ้านทั่วๆไป <c oughs> อย่างที่สองพูดอย่างที่พระองค์ตรัสในอย่างที่สามะแถมพบคืออย่างที่ผมจะพูด <c oughs> อย่างที่หนึ่งเรียกว่าอย่างที่ชาวบ้านทั่วไปเขาพูด <c oughs> ก็หมายถึงชาวบ้านทั่วไปในอินเดียในยุคก่อนพุทธกาลนู่นแล้วก็เรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงชาวบ้านในประเทศไทยเราเนี่ <c oughs> ชาวบ้านระดับชาวบ้านทั่วไป เขาพูดเรื่องนรกสวรรค์อย่างเดียวกันกันกบไอ้ชาวอินเดียสมัยก่อนพุทธกาลหรือยุคพุทธกาลที่เป็นชาวบ้านทั่วไป <c oughs> ข้อนี้มันรู้ได้ง่ายคือว่าในเรื่องไตรภูมิพระร่วงที่เขาเขาถือเป็นหลักกันในสมัยสุโขทัยก็ดี นักวชาวบ้านทั่วๆไปเขาพูดกันอยู่นี่ก็ดีมันตรงกันนะถึงในรลกใต้ดินมีกี่ชนิดกี่ชนิดกี่ชนิดนภาสวรรค์นบนฟ้ามีกี่อย่างกี่อย่างกี่ชั้นนะเขาพูดตรงกันอนะ่าเพราะว่าที่ิชาวบ้านพูดมันก็พูดตามหนังสือใส่ภูมิพระร่วงนะั <c oughs> ่นหสือในภูมิพระร่วงก็เป็นหนังสือที่พระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งในสมัยสุโไทยัยร่ายกรองขึ้นให้ชายเป็นหลักถือกันทั่วประเทศ ท่ประชาชนก็เชื่อเรื่องในรลกสวรรค์แบบนี้มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยตลอดในเมืองไทยเราที่แน่นอน <c oughs> ส่วนที่ก่อนหน้านั้นเราก็ไม่แน่นอนมันก็จะต้องมีพูดถึงอยา่างใดอย่างหนึ่งตามแบบของชาวบ้านแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราพูดกันว่าตามแบบของชาวบ้านหมายความอย่างนี้เนียอย่างที่มีกล่าวอยู่ในหนังสือใสปุ่มทะร่วง แล้วก็อย่างเดียวกับที่ชาวบ้านแม่เดียวนี้ยุคนี้ปัจจุบันนี้มัน ก, ก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันค <c oughs> ำพีต่างๆในอินเดียของฝ่ายอินเดียขเขาก็มีอย่างสมบูรณ์แล้วอัตกษถา ทีกาของพุทธศาสนาก็พลอยพูดอย่างนั้นไปด้วยแล้วคมภีเหล่านั้นอธกถาดีกาเหล่านั้นน่ะก็มาเป็นที่มาของหนังสือไตรภูมิพระร่วงไปเปิดดูหนังสือไตรภูมิพระร่วงเขาจะบอกคำพีต่าง ๆ, ๆที่เขาอ้างมาแต่งซื้อคมภีไตรภูมิพระร่วง <c oughs> นั่นแหะมันจึงตรงกัน ทั้งที่อินเดียทั้งที่ลังกาทั้งที่พม่าทั้งที่ประเทศไทยถ้าเป็นเรื่องนรกสวรรค์อย่างที่ชาวบ้านพูดกันและตรงกันหมดเลย <c oughs> รายละเอียดนะไม่ต้องเอามาพูดวร็ไ ป, ไปหาดูได้สวรรค์กี่ชั้นกี่ชันแต่ละชั้นละชั้นมีอะไร <c oughs> แล้วก็เมืองมนุษย์มีลักษณะอย่างไรมีทวีปสีอย่างไรวีิมาลัยอย่างไรมี ตามแบบเดียวกันหมดเลยยังซื้อใส่ภูมิ ร, ร่วมมัน <c oughs> ก็ทั้งว่าใต้แผ่นดินนี่ก็มีปลานุ้นอยู่อย่างนี้เป็นต้นที่นี้ใต้แผ่นดินลงไปนู่นก็ถึงเมืองนรก <c oughs> มีกี่แบบมีกี่ช น, นิดช น, นิดละกี่คุ้มกี่อะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้จำอะ่ะเคีงแต่ ข้าวหลักๆได้วาเป็นอย่างนั้น <c oughs> นี่เรียกว่านารกรสวรรค์อย่างที่ชาวบ้านพูดก่อนพุทธกาลสมัยพุทธกาลในอินเดียในพมา่าในลังกาในประเทศไทยที่ชาวบ้านพูดตรงกันหมดเลย <c oughs> นี่มีอยู่พวก <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงพวกที่สองที่ว่าอย่างที่พระองค์ตรัส มันก็จะนรกสวรรค์มันมีอยู่ที่อายตนะของคนเราที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเราถ้าเราทำผิดเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องนี้มันก็ร้อนใจเกิดเป็นนรกขึ้นมาถ้าเราทำถูกเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันก็ได้รับความสุขความพอใจเป็นสวรรค์ขึ้นมา นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้และใช้คำประหลาดอยู่คํางงนึ่งวฉันเห็นแล้ว <c oughs> นรกทางอาันนะาฉันเห็นแล้วสวรรค์ทางอันนะฉันเห็นแล้วนี่พูดตอนรับไอ้นรกสวรรค์อย่างที่เขาพูดจนอยู่แต่ก่อนพระองค์ตรัสนี่ถ้าพูดอย่างนี่ <c oughs> มันก็อยู่ที่ตาหูจมูกร่างกายใจอคือในตัวคนเราที่มาทําผิดหรือทําถูกอืทําถูกก็สบายชื่นอกชื่นใจพอใจในความหมายของคำ ว, ว่าสวรรค์หรือสบายใจถูกใจจะได้รับผลเป็นเงินเป็นทองเป็นกามารมณ์เป็นอะไรตามที่มนุษย์่ะควรจะได้รับก็รวมอยู่ในขอน้อเหล่นี้ถ้าทําผิดมันก็ร้อนใจ ร่อนใจอยู่ภายใ น, นกระทั่งว่าร่อนใจที่ภายนอกคือถูกคือทำผิดถูกเขาจับได้เอาไปลงโทษมันก็ร่อนใจเนื่องจากภายนอกที่มันร่อนใจเพราะทำผิดอยู่ในภายในมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งด้วยที่นี่มันแปลกตรงที่ว่าไอ้รายละเอียดเกี่ยวกับนรก ที่เขาพูดว่าในคำภีี่มันมาตรงๆกันกับระเบียบวิธีการลงโทษผู้ทําผิดในคุกในตารางในอินเดียในคั้งพุทธการนั่นเองคล้ายๆกัน <c oughs> ผู้ที่บัญญัติเรื่องนรกว่ามีรายละเอียดอย่างไร น่ากลัวว่าเขาจะได้เอาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการลงโทษลงอาญาในการกระทําผิดของคนผิดไปเป็นหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่แล้วก็เตมิมไปที่มันน่าแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์ น, น่ากลัวอย่างยิ่งอะไรก็ไปอีกมันเป็นเรื่องนโรกโดยสมบูรณ์นี่เปรียบเทียบกัน ก็ได้ความว่าท้านนรกที่เขาพูดกันอยู่ตัวปลายมันก็อยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้า <c oughs> ถ้าพูดกันอย่างที่พระพุทธเจ้านตรัสมันก็อยู่ที่ <c oughs> ตาหูจมูกเลิ้งกายใจที่ทำผิดหรือทำถูกของคนเรานั่นเอง <c oughs> <c oughs> ที่นี่อย่างที่ผมจะพูดถ <c oughs> ือเสรีภาพ พูดอย่างถอเสรีภาพ <c oughs> พูดเป็นใจความสั้นๆว่าสวรรค์นั้นมันอยู่ที่ความรู้สึกเมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้ประโยชความรู้สึกที่รู้สึกอยู่เมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้นี่เป็นสวรรค์นรกที่ความรู้สึก ที่มือรู้สึกเกลียดน้ำหน้าตัวเองมันต้องรุนแรงมากแหละถึงการทังกับคนมันจะเกลียดตัวมันเองถ้าคนมันก็เห็นแก่ตัวอะไรก็สนับสนุนตัวเองข้าวข้างตัวเองไอ้ชิวแต่ถ้าเมื่อไรมันถึงขนาดที่ว่ามันเกลียดตัวมันเองได้แล้วมันก็เรียกว่ารุนแรงมากมันเป็นความชั่วที่รุนแรงมากจนตัวเองก็ไม่ยอมรับว่า วาดีก็เกลียดตัวเองความรู้สึกคนิดนั่นเรียกว่าเป็นนโรกถ้ามันรู้สึกเกลียดชังตัวเองแล้วก็มันมกกไมายมันได้ทําความผิดความเลวร้ายเสีหายมากจนถึงกับไปกระทบกระทั่งผู้อื่นน่ะแี่วมันก็ได้ถูกจับใส่คุกใส่ตารางน่ะมันก็เลยเป็นในความรู้สึก <c oughs> ที่เกิดมาจาก การถูกจับใส่คุกใส่ตารางเป็นภายนอกอีกส่วนหนึ่งนยส่วนในภายในที่มันเกลียดตัวเองนี่มันก็มากอยู่แล้วท <c oughs> ี่มันยังแถมมีผลเพิ่มกันมาจากภายนอกเพราะว่าทาการกระทำนั้นมันผิดกฎหมายผิดอะไรตา่างๆ ถูกลงโทษเพิ่มกันอีกพ็พอดีแต่ทึ้งย่างไรก็จะขอรวมไว้ในด้ายคําเพียงคําเดียวว่าเมื่อมันเกลียดตัวเอง <c oughs> <c oughs> ก็เทียบดูดิว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าพูดอย่างนี้นรกกับสวรรค์อยู่ที่ไหน <c oughs> มันก็อยู่ที่อการกระทําของคนนี่มันทําจนยกมือไหวตัวเองได้เป็นสวรรค์มันทํำจนเกลียดน้ำหน้าตัวเองก็เป็นนรก <c oughs> นี่เพียงสามชนิดเท่านั้นแหละมันก็พอแล้วที่คุณจะพิจารณาดูไม่เห็นว่าไม่ใช่มันเป็นเรื่องเปล่าๆ ป, ปลี๊ดๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราหรือว่ามันไม่ใช่เป็นมันไม่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับมนุษย์ทั้งโลก น <c oughs> จะหาเป็นเรื่องคึ้กคล้ามไม่มีประโยชน์นั้นไม่ได้หรอกม้เรื่องนรกสวรรค์ที่พูดกันอย่างป ร, รำประราที่อยากจะใจความ ง, งมงายก็ตามเถอะมันก็มีประโยชน์อย่างยิ่งมีประโยชน์ให้คนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมีศีลธรรมดีคนยุคโบราณหรือถืออย่างโบราณก็มีศีลธรรมดียิ่งกว่าคนทำัยนี่มาก ถเขาเชื่อกลัวหรือว่าอยากได้นรกสวรรค์ น, านารกอย่างที่พูดกันมาจากการก่อนนั่นแหละถ้าคนมีศีลธรรมดีไม่เชื่อพูดอย่างนั้นแล้วมันจะมีโทษถ้าไม่เช่นั้นแล้วมันไม่ยืนอยู่มาจนถึงทุกวันนี้คือคนที่มันเชื่อนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าก็ยังมีอยู่แล้วก็ท่านคนเหล่านั้นรัวบาป รักบุญและมีศีลธรรมมันก็ยังมีประโยชน์อยู่นรกอย่างเชชาบ้านพูดมันก็ยังมีประโยชน์อยู่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อกระตามใจแต่มันยังมีประโยชน์อยู่แก่คนจํานวนใหญ่จํานนวนมากเราก็ไม่ต้องยกเลิกเพราะมันมีประโยชน์ทางศีลธรรมทีนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระมัดความพูดให้ลึกให้สูงขึ้นมาเป็นขั้นปรมัตาร สำหรับนักปราชญ์สำหรับคนมีปัญญา <c oughs> พูดอย่างเป็นเนื้อหาสาระ <c oughs> ในภายในที่เข้มข้นหมายความว่าเอาใจใจความสำคัญนะ <c oughs> เพราะว่านารกชนิดไหนก็ไดที่เขาพูดกันอยู่ก่อนๆมันก็ล้วนแต่ความเจ็บปวดทั <c oughs> ้งนั้นแหละงสวรรค์นในบนฟ้าสวรรค์ทิศไหนก็ตามมันหมายถึงความพอใจความสบายใจ ความสุกราเริงบันเทิงทั้งนั้นแหละนั่นถ้าเราทําถูกจนบันเทิงรื่นเริงอยู่ได้โดยทางอาจจะนะาก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าเราทําผิดจนมันเดือดร้อนมันก็ไปไหม้อยู่ข้างในแล้วมันก็เป็นนรกนี่ก็มีประโยชน์สาหรับผู้มีปัญญาอ่าซึ่งมันต้องมีน้อยคนแหละในโลกนี้ผู้มีปัญญามันมีน้อยนะระวังให้ดี <c oughs> จะเอาคำพูดและความเชื่อของคนมากเป็นประมาณนั้นนะมันอาจจะไม่ได้ปัญญาก็ได้ <c oughs> ถ้าเราถือตามหลักของพุทธเจ้าซึ่งแสดงปัญญาสติปัญญากว่ามันก็ต้องมีน้อยคนมันก็มีประโยชน์ส่วนปรมัติธรรมในระดับต่ำศีลธรรมของชาวบ้านนั้นเนกะือบ กืจะือประโยชน์ไม่ได้แล้วอย่างที่พระพุธธทธเจ้าตรัสเองน่าจะไม่สนใจซะด้วยนะในโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสในประชาชนทั่วไปจะไม่สนใจชั้นชาวบ้าน่ะแต่ว่าจะเป็นที่สนใจชั้นนักศึกษาผู้มีสติปัญญาเป็นนักบัณฑิตเป็นนักกราดแล้วก็เรียกเป็นเรื่องทางปรัชญาธรรมอืมนโลกทาง ศีลธรรมก็อย่างแบบเดิมนรกทางประมัตขธรรมก็อย่างแบบที่พระพุทธเจ้าตราัส <c oughs> นี่อย่างที่ผมพูดเนี่ย <c oughs> จะเรียกว่าอย่างอะไรดีอ <c oughs> อย่างที่มันจะเป็นวิทยาศาสตร์อที่เป็นอะไรทํานองนั้นไะ คือมันเห็นได้โดยประจักษ์จึงเรียกว่ามันจะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นที่ตั้งแห่งหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับได้ถ้าเราพูดว่านกรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้านักวิทยาศาสตร์ก็สันหัวนะเขาไม่เอาด้วย นถ้าพูดอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสนักวิทยาศาสตร์ก็ยังยอมรับได้แต่ผมพูดให้มันชัดกว่านั่นให้มันเจาะ จ, จงกว่านั่นให้ฟังถูกกันทุกคนนลยจะเป็นคนโง่คนฉลาดคนอล้ก็ฟังถูกทั้งนั้นพูดว่าสวรรค์เมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้ นโลกเมื่อเกลียดชังตัวเองที่คุณเหล่านี้ ค, คุณทั้งหลายพวกคุณเนี่ยคุณจะคิดว่าอย่างไหนจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้คุณก็ อ, อย่างนั่นก็แล้วกันะไม่มีใครสงวนในนิคติษฐ์ทจะดีเรื่องในโกเรื่องสรวรรค์นในสามอย่างนี่อย่างนั้นจะไปใช้เป็นประโยชน์ได้ก็เอาไปสิแต่ผม ก็อยากจะพูดอย่างนี้อ้ท่านนรกสวรรค์อย่างที่ผมพูดเอาละทีนี้ผมพูดนี่ผมก็จะพูดอธิบายเรื่องที่ผมพูดมัน <c oughs> <c oughs> ละเอียดสักหน่อยที่ได้พูดอย่างนี้ ก็เพื่อจะให้สำเร็จประโยชน์เหมือนกันแหละไม่ใช่ว่าพูดให้มันเหนื่อยกว่าเราหนวกหูกว่าเรา <c oughs> จะพูดให้มันสําเร็จประโยชน์ในการที่ชะปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์แต่มันก็ลาดที่ว่าพอผมพูดอย่างนี้นะคนทั่วไปชาวบ้านทั่วไปหรือว่าคนที่เขาเชื่ออย่างนูน้นเขาก็หาว่าผมนี่ทําลายเป็นผู้ทําลาย เห็นผิดเป็นวิชาทิฏฐิทำลายของเก่ายกเลิกของเก่า <c oughs> ผมไม่มีเจตนาที่จะทำลายของเก่าหรือยกเลิกของเก่าล่ะอย่างที่เอามาพูดในีคุณฟังทั้งสามชนิดยังไงไม่ยกเลิกของเก่า <c oughs> ของเก่าก็เก็บไว้ใช้ประโยชน์อย่างของเก่าของของใหม่ก็เก็บไว้ใช้ประโยชน์อย่างของใหม่ัผมไม่ได้ยกเลิก แต่เขาคิดว่ายกเลิกแล้วเขาก็ด่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเร า, เาไม่ได้ยกเลิกนี่ <c oughs> เขาด่าว่ายกเลิกก็ตามใจเา่า <c oughs> ที่หาว่าเป็นไม่จา๋าทิฏฐิอันนี้ก็ดูเองจะเป็นหรือไม่เป็น <c oughs> แต่ว่าเรื่องสาคัญมันอยู่ตรงที่ว่าพูดอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นหลัก ที่แน่นแฟ้นที่มีอยู่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นสันทิฏฐิโกบทที่เราตวนกันอยู่ทุกวันอสวาคาโตภควตาธรมโมสันทิฏฐิโกอาาลิโกเอปจิโกถ้ามันจะเป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาแล้วมันต้องมีลักษณะเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นรู้สึกประจักษ์โดยตนเองอาคาลิโกไม่จํากัดเวลาเมื่อไรก็เมื่อนั่นกันไป เอธิปติโกเรียกมาดูได้มันมีดูนี่มันดีเรียกมันให้เพื่อนมาดูได้ <c oughs> จึงพูดว่ามารกมือเตือนหน้าตัวเองสวรรค์เมื่อยกมือไหว้ตัวเองทุกคนมันรู้สึกอยู่ในตัวเองอย่างที่ว่าเป็นสันทิติโกแล้วก็ไม่จํากัดเวลาเมื่อไรก็เหมือนั้นแกทําจนยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรมันก็มีสวรรค์เหมือนั้น ทำจนเกลียดตัวเองเหมือนก็มีนรกเหมือนนันอย่างนี้เป็นอากาลิโกไม่ต้องรอแต่าตายแล้วอืที่นี่ก็เรียกเพื่อนมาดูได้มาดูดูอืฉันทําอย่างนี้อย่างนี้สบายที่สุดพอใจที่สุดยกมือไหว้ตัวเองได้เอหิปติโกมาดูมาดูเท่านี้กพอแล้วแหละเอาสสามบทว่าสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสติโกก็พอแล้ว <c oughs> นี่เรียกว่าอย่างที่เราพูดให้มันเป็นอย่างนี้ที่นี่ดูทีว่ามันไม่ขัดกับที่พระองค์ตรัสนะอย่างที่ผมพูดนี่ไม่ขัดกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันอยู่ที่อายต น, นะท่านตรัสว่ามันอยู่ที่อายต น, นะทำผิดทำถูกทางอายต น, นะ แล้วผลก็เกิดขึ้นมาเป็นว่าว่ายตัวเองได้หรือเกลียดน้ำหน้าตัวเองแาแค่เราพูดถึงผลของการทำผิดทำถูก <c oughs> ทางอายาตนะนั่นฉะนั้นไม่ขัดตกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอนารกสวรรค์มันอยู่ที่อายาตนะันน่ะทีนี้มันก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างที่ว่าพูดตะกี้นี่ ผู้อย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ให้นักวิทยาศาสตร์ยุค ป, ปัจจุบันะเขาหัวเราะเยาะได้นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเเขาหัวเราะเยาะคากล่าวเรื่องนรกสวรรค์ของทุกศาสนาก็ว่าได้แม้ของศาสนาคิดสเสตียนเขาก็ไม่เชื่อทั้งที่เขาเป็นฝรัง่งถือศาสนาคริสเสตียนก็ตามเขาก็หัวเราะเยาะนรกสวรรค์แบบนั้น อย่างที่นักศึกษาของเราเดี๋ยวนี้ก็หัวเราะเยาะไอ้นรกนรกสวรรค์แบบคุณย่าคุณย า, าย <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้เพื่อจะให้เขาหัวเราะเยาะไม่ได้เราก็พูดอย่างนี้มาคุณดูองค์ที่ผลสุดท้ายกันแล้วกันแล้วถ้ามันมีผลให้ยกมือไหวตัวเองได้ก็เป็นสวรรค์ถ้ามีผลที่เกลียดชังตัวเองซึ่งซึ่งรักอย่างยิ่งแล้วมันก็เป็นนรก นี่เรียกว่าเพื่อจะให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์แห่งยุค ป, ปัจจุบันก็ยอมรับได้งั้นเราทีนี้ก็ดูต่อไปว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอย่างที่คนโบราณพูด คนโบราณพูดโดยเฉพาะโบราณก่อนพุทธกาลและประชาชนทั่วไปเหล่านั้น <c oughs> เขาพูดอย่างเราพูดนี้ไม่ได้แล้กพูดไม่เป็นวความรู้ความคิดการศึกษาหลักการมันไม่เหมือนกันเขาจะพูดอย่างที่ผมพูดนี้ไม่ได้หรอกเขาต้องพูดที่เหมาะกับระดับความรู้สึกคิดนึกของเขาแห่งสมัยนั้น หรือว่าจะถอยหลังออกไปอีกจนถึงยุคคนที่ยังเกือบจะเป็นคนป่าไม่นุ่งผ้าสมัยนู้นถ้าเขาจะมีความคิดเรื่องว่าอะไรดีอะไรชั่วออะไรเป็นจุดสุดของดีของชั่วเขาก็ต้องพูดเท่าที่เขาจะนึกได้เท่าที่เขาจะมองเห็นเขาจะยังเห็นทีนี้เขาไม่ได้มีอะไรอย่างเดี๋ยวนี้นี่ ไม่มีการเรียนไม่มีวัตถุ ผ, ตผลิตผลเพียงใช้ไม้ส้อยอะไรอย่างเดียวนี้ี่เขามีอย่างอยูอย่กับธรรมชาติล้วนๆ <c oughs> โดยเฉพาะอยู่ใกล้ๆพวกเขา ม, มาลายเงยขึ้นไปดูภูเขาอีมาลายก็สันนิษฐานเอาเข้าใจเอาว่าบนภูเขา ม, มาอะไรอันที่ไม่เคยไปนะัต้องมีมีอะไรอะไรแล้วก็ว่าเอาได้ตามชอบใจ นั่นเรื่องสวรรค์นะมั น, ม, นมันพูดเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูเขาที่มาลายทั้งนั้นในบนภูเขาหิมาลายส่วนที่ขึ้นไปไม่ถึงนะเขาก็บัญญัตินั่นนี่ไปตามเรื่องแล้วก็เลยภูเขาหิมาลายกันไปก็ถึงสวรรค์ชั้นแรกแล้วถึงสวรรค์ชั้นที่สองสามสี่ห้าหกไปเลยแล้วแต่จากอยากจะพูดให้มันวิเศษอย่างไร <c oughs> แต่ดูแล้วมันก็ไม่ไม่พ้นไปจากเรื่องที่มนุษย์จะรู้สึกได้ <c oughs> กเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องสนุกสนานเรื่องอร่อยอร่อยเรื่องสมบูรณ์าการมารวมเวลานี้ <c oughs> ก็หน้าหัวอยู่ที่ว่าไอสวรรค์สุดท้ายนะปรนิ ม, มิตวัสวัตตีเนะนี่ยมีความหมายว่าไม่ต้องทำเองไม่ต้องทำเองจะมีคนทาให้แม้แต่จะอดอาหารเข้าปาก สวรรค์ชั้นสุดท้ายในสวรรค์ชั้นต่ำๆลงมานั้นยังต้องทําเองหยิบเองกินเองอะไรเองเดี๋ยวนี้ไปถึงสวรรค์ชั้นสุดท้ายปรินิมิตวสวรตีเีมีอำนาจบังคับบรรดาให้คนอื่นบํารุงบํำเรอได้ตามที่ตัวต้องการสวรรค์ทุกชั้นเลยเป็นเรื่องบํารุงบําเรอความสุข นุกสนานอ ร, อร่อยรอยทางอายจนะทั้งนั้นมันเรื่องสวรรค์นในรายละเอียดอย่างนี้มันจึงเกิดขึ้นเพราะความรู้ของผู้พูดทางสมัยนั้นมันมีเท่านั้น่ทีนี้จะเปรียบเทียบได้อย่างว่าขั้นมาถึงสมัยพระพุทธเจ้านี่ยเกิดขึ้นแล้วนี่มันจะพูดถึง โลกภษีอา่านอากันถึงคำนี้ก็มาใจคำพระพุทธเจ้าสัดอย่างเดียวหรือโดยตรงมันก็ชาวบ้านทั่วไปมันก็มุ่งหมาอย่างนั้น <c oughs> พูดถึงโลกภษีอ่านที่ยังมาไม่ถึงชาวบ้านก็ไม่มีปัญญาอะไรมากนักละมันก็ต้องพูดทถาทีความคิดนึกมันจะรู้สึกได้ให้ผิดธรรมดาแล้วกัน จป็นผู้ร่วมีกันแล้วก็พฤกษีมุมเมืองนะ <c oughs> แล้วก็ไปขอได้ทุกอย่างขอทองได้ทองก็เงินได้เงิน <c oughs> ถ้าที่ความคิดเนกมันจะเนี้ยนึกไปได้เองอะมันก็พูดกันมาอย่างนี้ <c oughs> ที่ว่าอข้างหนึ่งน้ําไหลขึ้นข้างหนึ่งน้ําไหลลงให้สะดวกในการคมนาคมทางเรือเะ <c oughs> <c oughs> เขาก็ต้องพูดอย่างนั้นนะถ้าที่จะมองเห็นเพราะเขาไม่รู้ว่าเดียวนี้เราทํา เรือจักรเรือกลนไฟได้น้ําขึ้นน้ำลงไม่มีปัญหาคนเราเนี่นไม่เคยรู้เรื่องเครื่องบินเรื่อง เ, เรือคนไฟเขาก็พูดไม่ได้ข <c oughs> เขาก็ต้องพูดให้พิเศษอย่างที่เขาจะนึกออกไว้แม้แต่ในแม่น้ํามันยังก็ไหลขึ้นข้างลงข้างเพราะเขาต้องการให้สะดวกการกรมนาคมทางน้ําำนาที่มันน่าห่วงอย่างกับเขาว่าแผ่นดินจะแยกออกสูบเอาสิ่งสกปรกที่มนุษย์ ได้ทำขึ้นไหวลงไปใต้ดินเลยเนะี่ยเพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องส้วมซึมคนสมัยนั้นมันไม่มีความรู้เรื่องส้ว ม, วมซึมอะไรทำนองนั้นมันก็ต้องพูดชนิดทีหน้าประหลาดน่าอัศจรรย์เหมือนกับว่ายักษ์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทําให้ตอนนี้จะมี ป, ะปัญหาอะไรเราก็มีส้วมซึมที่จะแก็ปุจจาระวุ้นมีอะไรที่จะทําลายของศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้รบกวน มันอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่ทํากันนั้นฉะนั้นการที่จะบรรยายลักษณะที่น่าพึงปรารถนากว่าธรรมดาที่าสวรรค์น่นก็บรรยายกันไปตามี่มนุษย์จะรู้สึกได้นัเองเพราะามนุษย์สมัยโู้น่เขาไม่ไม่ไม่คิดอย่างอื่นได้มันเขาก็ต้องพูดไปจากที่เขาจะคิดได้เขาจึงวาดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นสวรรค์สวรรค์อย่างนั้น แม่ในโลกประชียานก็พออกันเรื่องก็พอกันแต่เราเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นที่จะพูดเช่นนั้น <c oughs> แหละบางทีเราก็รู้มากจะแล้วว่าไอเช่นนั้นก็ไม่ทำประโยชน์อะไรเป็นเป็นเรื่องของหวานหลอกเด็กก็มากกว่า <c oughs> เราต้องการเรื่องที่มันจริงกว่านั้น <c oughs> อ้าวทีนี้ก็ดูต่อไปว่าการที่พูดอย่างนี้นะ่ะมันมีลักษณะของสติปัญญาสำหรับผู้มีสติปัญญาใช่กันอยู่ในวงผู้มีสติปัญญาสมตามหลักของพุทธศาสนาที่เป็นปัญญาธิกะเรื่องนี้ก็ช่วยจาให้ดีนะหลักใหญ่ๆที่เขาวางกันไว้นี่ว่าปัญญาธิกะ ศรัทธาทิกะวิริยาทิก ะ, กะถ้าพูดตามลำดับว่าศรัทธาทิกะมีเรื่องศรัทธาเป็นใหญ่วิริยาทิกะมีเรื่องบงังคับจิตเป็นใหญ่ปัญญาทิกะมีเรื่องสติปัญญาเป็นใหญ่ถ้าพูดกันเป็นแยกแยกกันแยกกันเป็นเป็นพวกพวกแล้วก็วไอ้พวกหนึ่งมันมีศรัทธาเป็นใหญ่มันเอาศรัทธาในระดับทุกข์พอมันเชื่ออย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ เปนเชื่อพระเจ้าต้องการที่เราต้องเกิดแก่เจ็บตายก็เลยไม่ต้องเป็นทุกข์เขาศรัทธาเป็นใหญ่อย่างนี้ก็ยังมีประโยชน์ เ, เมื่อเขาเชื่อเสร็จแล้วเขาก็ไม่มีความทุกข์ที่นี้พวกจิตสอนมีวิริยาธิกะเอาเอาเอาไอ้วิริยานี่ยกําลังจิตนี่ยเป็นหลักเขาบังคับจิตของเขาไม่ให้เป็นทุกข์ม <c oughs> ันก็มีวิธีศึกษาศึกษาฝึกฝนกันบังคับจิตให้รู้สึกอย่างไรได้ กำลังคับจิตให้รู้สึกที่ไม่เป็นทุกข์อย่างนี้เดี๋ยพึ่งกาลังจิตจนเป็นใหญ่เลยมาพวกจุดท้ายปัญญาทิกะเอาปัญญาเอาความรู้แจ้งนี่เป็นหลักคิดให้มันรู้แจ้งไปในทางที่มันจะไม่เป็นทุกข์นี่การที่พูดว่าสวรรค์มายกมือไหว้ตัวเองได้นะโรคเมื่อเตียดตัวเองนี่มันเป็นเรื่องของปัญญาทิกะ ไม่ต้องใช้ใกำลังศรัทธาหรือไม่ต้องใช้การบังคับจิตกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลังเ <c oughs> นี่ยมันเหมาะกับพุทธศาสนาที่สุดเพราะพุทธศาสนาเป็นประเภทปัญญาธิกะ <c oughs> คือเราจะทำได้ด้วยสติปัญญา ในทีนี้ที่อยากจะพูดทั้งที่ว่าไม่ถูกจำเป็นจะต้องพูดหรือบางคนจะฟังไม่ถูกเพราะว่าถ้าว่าเราถือหลักอย่างที่ว่านี่นสวรรค์เมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้นะรกเมือเกลียดตัวเองเนี่มันไม่ฝืนหลักกาลามสูตรสิบประการแต่อย่างไรนะอันนี้ไปเป็นหัวใจพุทธศาสนา หลักการลมาสูตรสิบข้อไปหาศึกษาเองคือเราไม่ต้องเชื่อหรือไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องถือไม่ต้องฝากฝากความเชื่อความไว้ใจไว้กับไอ้สิบประการนั่นคือเชื่อตามที่เขาพูดตามๆกันมาไม่ต้องเชื่อเอาตามที่เขาปฏิบัติตามๆกันมาไม่ต้องเชื่อเอาตามที่มันเล่าลืออยู่กระชอนทั้งวันทั้งเมือง <c oughs> ไม่ต้องเชื่อว่ามันมีที่อ้างอยู่ในพระไตรปิฎกเราไม่ต้องเชื่ออย่างคิดแบบตักกะไม่ต้องเชื่ออย่างพิจารณาแบบนยะที่ไม่ต้องเชื่อแบบลรจกิจไม่ต้องเชื่อแบบปรัชญาเป็นลอตเิอรี่ซึ่งเป็นเรื่องคำนวณทั้งนั้นแหละแล้วก็ ไม่ต้องเชื่อใช่ไหมจะมันคิดชุยชุยไปตามความคิดนึกเชื่อกันนหนาไม่ต้องเชื่อแม้แต่ว่านี่มันทนกันได้กับความคิดของเราเราคิดอย่างนี้มันมันแสดงอย่างนี้ทุกทีอย่างนี้ก็ยังไม่เอานะั่นก็ไม่เชื่อฮะเพราะเหตุว่าผู้พูดนั่นมันน่าเชื่อกระทั่งสุดท้ายว่าผู้พูดนั้นพระสมณะนั่นเป็นครูของเราเลยก็ไม่เชื่อไม่แต่ครู ไม่ตั้งเชื่อแม้แต่ครูพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าตรัสก็พรว่เราเห็นเดือดชัดๆนี่ว่าเมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้มันเป็นอย่างไรจิตใจมันเป็นอย่างไรเมื่อเราเกลียดน้ำหน้าตัวเองจิตใจมันเป็นอย่างไร <c oughs> การทือหลักอย่างนี้อืมมันไม่ผัดหลักกาลามาสูตรมันสมคล้อยหลักกาลามาสูตรซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เนี่ยมันมีเท่านี้แหละ <c oughs> ทีนี่มันก็มีดีอยู่ที่ว่านารกสวรรค์ชนิดนี้เราเราจัดเอาได้เราทําเอาได้เราสร้างเอาได้มันอยู่ในหน้าของเรานี่เราอยากไล่สวรรค์เราก็ทำชนิดที่ทําให้เรายกมือไหว้ตัวเองได้ เราจัดเราทำเอาได้ที่ไม่ได้อยู่นอกเนื้อหนาจของเรามันไม่ไม่อยู่ไกลถึงบนฟ้าหรืออยู่ใต้บาดาลนูน่นซึ่งเราไปจัดการมันไม่ได้มันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราคือที่ร่างกายของเราที่นี่เดียวนี่เราจัดการเอาได้เป็นเกิดสวรรค์ขึ้นมาก็ได้ถ้าเราต้องการนารกแล้วก็จัดให้นรกมีขึ้นมาได้แล้วทันตาเห็นใช้คำว่าจัดเอาได้ตามที่เราต้องการ แล้วมันก็ทันตาเห็นทันตาเห็นเอาแล้วสรุปความหน่อยว่ามันเป็นคำพูดเพื่อเป็นพื้นฐานได้ทั้งทางศีลธรรมและทั้งทางปรมัตถธรรม <c oughs> สมัยก่อนเขามีนรกใต้ดินทรวงบนฟ้าเป็นรากฐานทางศีลธรรม เดี๋ยวนี้เราก็มีรากฐานทางศีลธรรมด้วยคำพูดอย่างนี้มันไม่เสียหายไปไหนแะเพราะคนชาวบ้านทั่วไปไม่มีสติปัญญาก็มองเห็นมองเห็นว่าเมื่อไหวตัวเองได้นั่นชื่นใจแน่เมื่อเกลียดตัวเองอ่ามันร้อนใจแน่นี่เป็นรากฐานได้ทั้งทางศีลธรรมและเป็นรากฐานได้ทั้งทางปรัมัธรรมนี่ผมจึงชอบพูดอย่างนี้ ตูทีเดียวมันเป็นรากฐานใช้ได้ทั้งทางศีลธรรมและทั้งทางปรมัตญธรรมไม่มีส่วนแห่งความงมง่ายเป็นสันติสุติโกโมองเห็นได้ไม่จํากัดเวลาทําได้นั่นแหละมันมีประโยชน์อย่างนี้ที่ว่าเราพูดเรื่องนรกสวรรค์กันจะไม่ในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> สามารถที่จะได้รับประโยชน์เต็มทุกความหมาย ที่มันควรจะได้หหรือที่เขามุ่งหมายใจทุกคนมันได้เนี่ยเราก็สามารถทำให้ได้เลยเกิดคำพูดแปลกๆขึ้นมาว่าฮาสวรรย์อยู่ที่เมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้นรกอยู่ที่มือมันเกลียดชังตัวเองแล้วคุณก็ดูตัวเองว่ามันจามันจำเป็นที่จะต้องรู้ไหม เรื่องมันเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรา <c oughs> นั่นที่ดีกว่านั้นก็คือว่าเราสร้างก็ได้ตามชอบใจของเราต้องการนารกก็ได้ที่นี่ลเดี๋ยวนี้ต้องการสวรรค์ก็ได้ที่นี่ล้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอแต่ตายแล้ว <c oughs> อ้าวที่นี่ก็จะพูดเลยไปถึง <c oughs> เรื่องวิธีพูด หรือการพูดพูดอย่างชาวบ้านทั่วไปอย่างหนึ่งพูดอย่างพระพุทธเจ้าตรัสก็อย่างหนึ่งพูดอย่างผมกล่าวนี่ก็อย่างหนึ่งนี่มันเป็นเรื่องความต่างกันของวิธีพูดนี่ก็เลยอยากจะให้รู้เข้าใจเรื่องของการพูดวิธีการพูดโวหารแห่งการพูดความซื่นหรือลึกของการพูด <c oughs> เขามี <c oughs> มีการแ บ, งแ บ, บ่งว่าเป็นไหนโวหารโวหารทิฏฐธรรมโวหารโวหารชั้นต่ำภาษาคนชาวบ้านพูดน้สำสมปรรายกิกะโวหารโวหารอื่นนอกไปจากที่ชาวบ้านเขาพูด <c oughs> ชาวบ้านเขาพูด เ, เขาก็พูดกันทื่อๆตรงๆอย่างนั้นแหละถ้าว่าภูฐานธรรมะมันก็อืลึกกว่านั้นแหละอแล้วถ้าปรมัตถวหาเนี่ยมันเลิกหมดเลยมันยกเลิกทิ้งหมดเลยว่างไปเลยฮะ <c oughs> ยกตัวอย่างที่มันเป็นเรื่องเป็นราวในบาหลีก็เชน่นอชาวบ้านเขาพูดนะ เขาพูดวันละสี่วันณะทั้งสี่มันต่างกันกริย์พราหมณ์แพทย์สูตรกระสัดพวกนักรบนักปกครองพราหมณ์พวกครูบาอาจารย์ทังสอนและนักบวชแพทย์คือประชาชนที่ทำมาหากินเป็นหลักฐานสูตรคือคนรับใช้คนชั้นต่ำถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านติธรรมโวหารเขพูดมันต่างกันมันต่างกัน คนไม่กินข้าวร่วมกันไม่เดินถนนร่วมกันไม่อะไต่างกันเพราะมันต่างกันถ้าจะพูดอย่างสัมภีรายิกะโวหารอย่างพระเจ้าตรมันเหมือนกันแหะกษัตริย์พระแพทย์สูตรนี่มันเหมือนกันแหละถ้ามันปฏิบัติดีมันก็ได้รับผลดีมันปฏิบัติชั่วก็ได้รับผลชั่วมันจะตกนรกมันจะขึ้นสวรรค์ก็เพราะการปฏิบัติของมัน กษัตร <c oughs> ิย์พราหมณ์แพทย์สูตรประทามถ้าปฏิบัติจริงในพรหมจรรย์แล้วก็บรรลุมาผลนิพพานนั่นน่ะนันไม่พูดประต่างกันเนี่ยสัมปราญิกะโอหารโอหารภาษาธรรมผิดไปจากโอหารชาวบ้านพูดแต่ถ้าที่พูดสูงกว่า น, นั้นลึกกว่านั้นสูงกว่า น, นั้นเป็นปรมทาทโรโอหารแล้วโอ้ไม่มีไม่มีคําว่า กษัตริพรามแพทย์สุดมนุษย์นะมนุษย์ก็ไม่มีอยมีแต่กลุ่มสังขารที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะยกเลิกหมดแล้วไม่มีไม่มีวันนาสี่แล้วว่าอย่างนั้นจึงไม่มีปัญหาที่อยากจะพูดว่าต่างกันหรือเหมือนกันนี่มันโอหันนี่มันสูงสุดข้ไปอีกเป็นกตังว่ามันไม่มีคนไม่มีการแบ่งวันณะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีคน สิ่งที่ในบาลีกล่าวถึงว่าในอริยวินัยนี่เขาพูดกันอย่างนี้แล้วนั่นคือสัมปรา่ยิกับโวหารที่ต่างจากชาวบ้านพูดแล้วเช่นชาวบ้านตนิกะนิบา ท, ที่ไปเขียนลงไว้ในหนังสือกามนิษ อาการเต้นรําเป็นอาการคนบ้าที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเต้นรําเต้นรําสวยงามอะไเรื่องเต้นรำสัมปราชิกาโวหานก็พูดาอาการคนบ้าที่การร้องเพลงนั่นคืออออการาการร้องเพลงคือการร้องไห้อที่ที่มันร้องเพลงสนุกสนา น, นมันคือการร้องไห้ มันมีอาการคนร้องไห้มันถูกกิเลสบีบคั้นในมันออกเสียงอย่างนั่นโก่งคออย่างนั่นฮาเหมือนกับการร้องไห้แล้วอะไรอีกออาการหัวเราะหัวเราะร่าเนี่ยคืออาการของเด็กทารกไม่ใช่สิ่งฉี่มีเกียรต์อะไรหัวเราะร่าเฮ่ฮ่าฮานั่นก็จัดเป็นาอาการของเด็กทารกแต่คนก็ชอบแสดง นี่ยถ้าท้า้ชันธรรมดานะทิฏฐธรรมโวหารนั่นเรียกว่าเต้นรํานั่นเรียกว่าร้องเพลงนั่นเรียกว่าหัวเราะอืแต่ถ้าว่าสัำป ร, รายกุกต์โวหารเลยนี่เต้นรําคืออาการบ้าร้องเพลงคือร้องไหา้าอหัวเราะคืออาการของเด็กทารกนอนบอก อย่างนี้โอหารมันเป็นอย่างนี้ถ้าปรมัติถวโอหารมันก็เลิกเลยมันจะไม่มีความหมายว่ายอย่างใดอย่างหนึง่งอในบรรดาคําเหล่านั้นคือมันไม่มีสัตบุคคลตัวตนเราเขามันก็เลิกเลยเลิกหมดอนึก <c oughs> ออกอีกคํานึ่ว่าอ ไอเโลหิดของมันดาเนะี่ะคือนมของมันดาเมื่อชาวบ้านเขาพูดกันว่านมของมันดาน้ำนมจากมันดานะภาษาสัมปรายกขาพัดกันว่าเลือดในอกของมันดาอย่างนี้เป็นต้นคือว่ได้จริงกว่าไว้สเสมอเพราะฉะนั้นเราจะต้องถือหลักว่าเราจะพูดให้ถูกกว่าหรือจริงกว่า สำเร็จประโยชน์กว่าแสดงภูมิแห่งปัญญามากกว่าไว้เสมอไป <c oughs> จึงจะเรียกว่า <c oughs> การพูด <c oughs> ที่ดี <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมีแต่การพูดสับคร้างโง่โง่พูดอวดอว ด, อวดพูดโดยความอวดมันก็ผิดมากถูก <c oughs> <c oughs> มันต้องพิจารณาเห็นในความจริง ลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปมันก็เรียกว่าดูหลายชั้นดูหลายชั้นคิดหลายชั้นไม่ใช่ความคิดชั้นแรกโุรงออกมาแล้วถูกแล้วคุยโม่ดังลั่นนะเพราะว่ามาคิดอีกทีมันมันเป็นอย่างอื่นมันถูกกว่านั้น้าคิดอีกทีมันกลับถูกกว่านั้นมันเป็นมันเปลี่ยนไปอย่างอื่นนั่นเราจึงพยายามคิด หรือจะเรียกให้ถูกก็มองดูให้ลึกกว่าธรรมดาให้เป็นชั้นชั้นให้หลายหลายชั้น <c oughs> นี่ก็เป็นหลักทั่วไปเลยเช่นว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าก็คือบุคคลที่เกิดในอินเดียมาสองพันกว่าปีมาแล้วเดินท่อมๆอยู่ในอินเดียนี่พระพุทธเจ้าในความหมายธรรมดา ทีนี้ถ้าว่าความหมายที่สูงกว่านั้นบุไดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราองค์พระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ธรรมะนู่มันจะอยู่ที่ร่างกายนัย่นถ <c oughs> จะดูให้มันมากกว่านั้นไปอีกมันก็อยู่ที่จิตที่มันดับทุกข์ได้นู่ไอ้ความรู้สึกที่มันดับทุกข์ได้สติปัญญาที่มันดับทุกข์ได้น่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระพุทธเจ้า จะดูลักษณะที่เป็นผลก็คือมีลักษณะสะอาดสว่างสงบจะดูที่คุณสมบัติก็คือว่าปัญญาคุณเมตตาคุณพิสุทธิ์ที่คุณเลยนะนี่เรียกว่ามองลึกกว่าแล้วก็เห็นแปลกออกไป ได้เลยว่าทุกคำพูดที่มนุษย์พูดมีมีความหมายหลายชั้นทุกคำฮะแต่บางคำไม่จำเป็นี่ต้องไปดูมันไปแยกมันมันก็ไม่ได้พูดคำแต่บางคำจำเป็นอย่างยิง่งที่ควรจะดูและแยกมันให้เห็นเป็นชั้นๆแลว้วพวดใถึงชั้นลึกเข้าถึงชั้นลึกและใช้เป็นประโยชน์ได้เช่นเดียวกับที่ เราพูดกันเรื่องสวนโมก ค, คืออะไรเมื่อคืนก่อนนะมันเป็นชั้นชั้นชั้นชัน้สวนโมก ค, คือแผ่นดินที่ตรงนี้หรือว่าสวนโมก ค, คือแผ่นดินที่มันครใจเกลี้ยงไปนั่งอยู่หรือสวนโมก ค, คือจิตที่มันเกลี้ยงจากอกสิ่งผูกพันหรือว่าสวนโมก ค, คือสิ่งที่มันอยู่ในจิตของบุคคลทูไม่ยึดมั่นสิ่งใดใสวนโมกมันเป็นชั้นชอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าโดย โดยภาษาที่มันลึกเข้าไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขอให้รู้ไว้ยเพื่อว่าเรานี่แหละจะเป็นผู้สามารถมองเห็นอะไรลึกซึ้งหลายชั้นแล้วก็จะใช้เป็นประโยชน์ได้มากกว่าที่จะเห็นเพียงชั้นเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไอเรื่องของธรรมะนี่ถ้าเห็นเพียงชั้นเดียวแล้วก็ไม่พอไม่ไหวเป็นอาจารย์โง่คนหนึ่งแค่นั้นทำไมเป็นอาจารย์ที่ฉลาดมันต้องเห็นหลายชั้นแล้วมันต้องพูดได้หลายชั้นแล้วถือเอาประโยชน์ของชั้นที่มีประโยชน์ที่สุดได้นั่ยจึงจะเรียกว่าผู้มีปัญญา แล้วถ้าเก่งจริงมันก็เชื่อประโยชน์ได้ทุกทุกฝ่ายจะเป็นประโยชน์โลกนี่ประโยชน์โลกน้่ประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์โดยตรงประโยชน์โดยอ้อมอเอาได้ทั้งนั้นเลยเพราะมันมองเห็นหลายชั้นนั่นอย่าไปเข้าใจว่าเราจะคิดทีเดียวออกคิดชุยชุยหวัดวัดออกมาแล้วนั่นคือหมดแล้วถือถูกแล้วซึ่งเป็นกันอยู่โดยมาก มสังเกตเห็นเป็นกันอยู่โดยมากโรคนี้เป็นกันอยู่โดยมากในพระเนตรของเรา <c oughs> จึงทําอะไรไม่ค่อยจะได้มากนะวันนี้เราเอาเรื่องนะรกเรื่องสวรรค์มาเป็นวัตถุสําหรับศึกษาสําหรับพิจารณา <c oughs> เพื่อเห็นความแตกต่างเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นระหว่างกัน มันเป็นเรื่องความรู้และถ้าเราปฏิบัติได้ตามที่เราต้องการมันก็เป็นเรื่องอานิสงส์ของความรู้ได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์ของความรู้หรือการปฏิบัติ <c oughs> และทำให้เราสามารถมองเห็นความที่มันมีอยู่หลายชั้นและมีวิธีพูดหลายวิธี ครามรู้สึกอย่างนี้มันเกิดขึ้นแก่ผมเมื่อได้ผ่านไปผ่านไปผ่านไปในพระไตรปิฎกนั่นเองตรงนี้สูตรนี่ท่านตรัสโดยหลักการที่ธรรมดาภาษาคนตรงนน้นสูตรนน้นตรัสด้วยภาษาที่ลึกขึ้นไปตรงน้นสูตรนน้นเลยลึกที่สุดเลยจนว่างไปเลยอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> แม่ ความในภระไปิดกส่วนที่มันอยู่ในรูปขระพุทธภาสิตด้วยกันมันก็ยังเป็นหลายชนิดอย่างนี้เราเราเป็นสาวกของพุทธเจ้าก็ควรจะใช้ประโยชน์สิ่งที่จะจัดไว้ห่ายคือพระไตรปิฎกเป็นต้นไม่ได้ประโยชน์ที่สุด สรุปความสักทีว่าอนรกสวรรค์น่นน่ะคืออะไรอคือไม่ให้สุขใจก็เรียกสวรรค์ไม่้ทุกข์ใจก็เรียกวัานารักษ์อันนี้จริงหรือไม่ทําอย่างนี้ก็ บ, บ้าทันที <c oughs> เพราะทุกคนมันมันรู้สึกอยู่นี่บางคราวมันอเป็นสุขใจะบางคราวมันก็เลือดเดือดทนไม่ยังมาถามมันมีจริงหรือไม่ ที่พระธมว่าอยู่ที่ไหนเล่าเนี่ตอนนี้จะแตะจะตอบหลายหลายหลายหลา ย, ลายคําอยู่ที่ไหนเล่าอยู่ใต้ดินหรืออยู่บนฟ้าหรืออยู่ที่คนหรืออยู่ที่การกระทําของคนอืเรียกว่ามันมีจริงแล้วมันอยู่ในที่นั้นนั่นตามแต่สติปัญญาของผู้พูดเขาจะพูดอย่างไร มันเหมาะสมแก่ใครที่จะพูดอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้นถ้าเขาเหมาะสมที่จะฟังว่ามันอยู่ใต้ดินหรืออยู่บนฟ้าก็พูดอย่างนั้นมันเป็นคำพูดที่ชินจนซึมเข้าไปในกระดูกนะ <c oughs> ก็าต้องพูดอย่างนั้นแต่ถ้ามันไม่สำเร็จประโยชน์เราก็พูดอย่างอื่นสิพูดชนิดที่ให้สาเร็จประโยชน์กันแล้วกัน เป็นนั้นว่าอนรกสวรรค์นั่นน่ะมันมีจริงใหมมันมีจริงทุกระดับอ่ะไอระดับที่พูว่าอยู่ใต้เดินวนฟ้ามันก็ก็ให้ถือมันมีจริงมันมีจริงอยู่ระดับนั้นก็มันเป็นประโยชน์ในระดับนั้นที่พระเจ้าตรัสว่าอยู่ที่อาสนำก็มีจริงตามความหมายนั้นและที่ผมพูดว่ามันมีจริงอยู่ที่เมื่อไหว้ตัวเองได้แล้วเสร็ เปลียดตัวเองมันก็มีจริงอยู่ที่นั่นแล้วทุกคนก็มองเห็นได้เองอยู่แล้วต้องถือว่านารกรัศวันนี่มันมีจริงทุกชนิดทุกระดับที่ได้พูดกันมาแล้วหากแต่ว่ามันมีความหมายหรือที่ตั้งที่อาศัยทิศทางที่จะดูนะั้นมันต่างต่างกันมันเหมาะสำหรับคนพวกหนึ่งพวกหนึ่งพวกหนึ่ง ตามอุปนิสัยของตนของตนเราเก็บไว้ได้รักษาไว้ได้เก็บไว้ได้ทุกระบบของนรกและสวรรค์ที่ก็จะพูดกันอย่างไรพวกหนึ่งให้สำเร็จประโยชน์ทางศีลธรรมพวกหนึ่งให้สำเร็จประโยชน์ทางปรมตถธรรมมันอยู่ที่ว่าเรามุ่งจะเอาประโยชน์ในระดับไหน แล้วก็พูดเรื่องนรกสวรรค์ให้ตรงตามระดับนั้นที่ไหนควรจะพูดกันอย่างไรที่ไหนควรจะพูดกันอย่างไรก็พูดให้ตรงตามกาลเทศะตามสัพปุริสธรรมเจ็ดอย่าพูดอย่างเดียวอย่าพูดยืนกระตายขาเดียวซึ่งไม่เคยสำเร็จประโยชน์เลย ถ้าพูดว่านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้ามันยังไกลนักมันยังไกลนักที่ข้าจะไม่เคถึงจะไม่ไม่ไ ม, ไม่มันไม่เกี่ยวกับเราถ้ามันเอามาอยู่ที่ข้าถึงกัข้าถึงจัดการได้จัดการไม่ไม่มีนรกกวาดนารกทิ้งไปก็ทําได้เอาสวรรค์เข้ามาก็ทําได้ แต่ว่าดีที่สุดที่ดีที่สุดนั่นคืออยู่เนื้อนรกเป็นเหนือนสวรรค์อนี่มันอีกเรื่องนะเดี๋ยวพูดเรื่องนรอกเนื่อสวรรค์กันมาเป็นตุเป็นตะเป็นว่าเป็นเวรแล้วเรื่องสุดท้ายจบด้วยคําว่าถ้ามันดีที่สุดมันต้องอยู่เนื้อนรกเนื้อสวรรค์คือไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่จะตกนรกหรือที่จะอยู่ในสวรรค์ จิตเป็นอิสระฟรีไปหมดเลยไม่เป็นตัวตนที่จะไปตกนรกหรือจะไปอยู่ในสวรรค์นี่คือจิตมันหลุดพ้นอย่างนี้เรียกว่าอยู่เหนือนรกเหนือสวรรค์ไม่อยู่ภายใต้ความผูกพันของนรกหรือสวรรค์ซึ่งเป็นเรื่องอะไรถ้าพูดตรงๆก็ต้องพูดเรื่องบ้าทั้งเพ <c oughs> นั่นก็ไม่ต้องเรื่องอไม่ต้องไป ไปยุ่งกับเรื่องนรกสวรรค์เราอยู่เนื้อนรกคือไม่ทำชั่วอยู่เนื้อสวรรค์คือไม่ติดความดี <c oughs> หลุดพ้นเป็นอิสระอยู่เนื้อความผูกพันทั้งปวงแค่เรื่อจิตหลุดพ้นกลับมาสวนโมกอีกแล้วคือความที่มีจิตหลุดพ้นจากความผูกพันทั้งปวงเวลาหมด <c oughs> เราเป็นเด็กทารกเราเป็นเด็กวัยรุ่นเราเป็นเด็กหนุ่มสาวเราเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเราเป็นคนเฒ่าคนแก่เราเป็นคนข้าวโล่ใ <c> น <oughs> เรื่องมันก็ไม่เหมือนกันมันคนละคนละขาคนละระดับสิ่งที่มันต้องการมันก็ยิงไม่เหมือนกันใรโกระสวรรค์มันก็มีให้เลือกอยาง <c oughs> ไอ้เรื่องไอ้ที่จะรู้จักอยู่เหนือนรกเหนือสวรรค์มันยังไกลามากอนะ่ะมันยังไกลเกินไปสาหราับบุตรชนคนธรรมดามันก็เกี่ยวข้องกันนรกสวรรค์ไปเรื่อยๆจนสวามันจะเบือ่อไม่เอาทั้งนรกและสวรรค์ฟีดประชุมรับ